128ความเป็นกายแยกได้ด้วยอาการเป็นสำคัญเห็นไหมว่าคำว่ากายมีความสำคัญแค่ไหนในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศ ทั้งการรู้จักนามกายหรือทั้งการรู้จักรูปกายไม่ใช่ไปรู้กายก็เฉพาะรูปร่างหรือไปรู้จิตก็เฉพาะนามธาตุแต่พระพุทธเจ้าให้รู้จักอาการว่าอาการมันแตกต่างกันเพศลิงคะอย่างไรเช่นอาการของจิตอย่างนี้คือเวทนา อาการของจิตอย่างนี้คือสัญญาอาการของจิตอย่างนี้คือสังขารเป็นต้นมันต่างการลิงคะเพศนะก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเวทนาสัญญาสังขารได้ด้วยอาการซึ่งทั้งสามนั้นล้วนคือนามธรรม แต่เมื่อมันอยู่ในภาวะถูกรูมันก็คือรูปหรือแม้แต่อาการอย่างนี้มันอยู่ในฐานะรูปอาการอย่างนี้มันอยู่ในฐานะนามเป็นต้นแล้วจะไม่งงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าตาถาคตเรียกกายว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้าง พระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ230จะไม่งงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนผู้ยังอวิชชาอยู่เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงกายวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16บข้อ57ิดถึง59